ในสวรรค์มีพิธีบวชพระหรือไม่อายุของพวกสัตว์นรกและเทวดาในสวรรค์เหตุไรจึงนานอาจารย์สิริพุทธสุขได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าได้ช่วยเรียนถามเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งว่าในสวรรค์จะมีพิธีบวชพระเหมือนกับในโลกมนุษย์หรือไม่ เพราะปรากฏว่าในโลกของโอปปปาติกะก็มีนักบวชในศาสนาทุกศาสนาเช่นสมมุติว่าถ้าขาวรวาดคนไหนในโลกของโอปปปาติกะเกิดมีศรัทธาอยากจะบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาจะต้องมีพิธีบวชคือมีอุปชัชฌามีคู่สวดมีพระอันดับอย่างนี้เป็นต้นเพราะปรากฏว่าในโลกของโอปปปาติกะก็มีบว์ในพระพุทธศาสนาอย่างแบบในโลกมนุษย์เหมือนกัน สำหรับปัญหาข้อนี้สมเด็จอุปชาของข้าพเจ้ากับเทพเจ้าองค์ที่เคยตอบปัญหามาในฉบับก่อนได้ร่วมกันให้คำอธิบายดังต่อไปนี้จากที่ท่านเคยเห็นและเท่าที่รู้ไม่ปรากฏว่ามีพิธีบวชไม่ว่าในรัฐที่ศาสนาใดๆท่านเคยตอบมาแล้วว่า ถ้าหากคนไหนเป็นพระในขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์จิตใจก็เป็นพระจริงๆในเมื่อตายในขณะที่เป็นพระก็จะได้ไปเป็นพระอยู่ในโลกของโอปปปาติกะแม้คารวาสบางคนในโลกมนุษย์ที่มีจิตใจถึงความเป็นพระมีศรัทธาในความเป็นพระเมื่อตายไปก็จะได้ไปเป็นพระอยู่ในโลกนั้นโดยไม่ต้องผ่านการทำพิธีบวช และถ้าหากโอปปติกะที่เป็นคารวาสคนใดจิตใจถึงความเป็นพระและต้องการจะเป็นพระจะยังไม่เป็นพระทันทีต่อเมื่อวิบากที่จะอยู่ในภูมินั้นหมดแล้วก็จะจุติและก็จะไปเกิดในโลกโอปปติกะในภูมิที่มีแต่พระท่านบอกว่าในโลกของโอปปติกะนั้นวิบากของกรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุด พิธีกรรมต่างๆไม่มีความหมายไม่อาจจะทําให้คนเป็นอะไรขึ้นมาได้ถ้าหากวิบากไม่มีในโลกของโอปปปาติกะจะสวมหน้ากากกันไม่ได้สภาพของร่างกายและสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นผลที่ออกมาจากวิบากของตนอย่างตรงไปตรงมาการแต่งตั้งให้เป็นนั่นเป็นนี้เหมือนอย่างในโลกมนุษย์ในโลกของโอปปปาติกะไม่มีใครจะได้เป็นอะไรอยู่ในฐานะอะไร วิบากของกรรมที่ตนมีอยู่จะเป็นผู้กำหนดให้ทั้งสิ้นเพราะในโลกของโอปปปาติกะวิบากของกรรมให้ผลชัดเจนมากตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นท่านบอกว่าถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่ได้สำเร็จทิพยาจักสุไม่เห็นโอปปปาติกะ ไม่เข้าใจเรื่องความเป็นไปในโลกของโอปปาติกะเป็นอย่างดีแล้วพระองค์จะไม่กล้ายืนยันว่าโลกย่อมหมุนไปตามกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและปราณีตความเป็นไปในโลกของโอปปาติกะทําให้เข้าใจง่ายเกี่ยวกับเรื่องกฎของกรรมทําให้มองเห็นถึงเบื้องหลังแห่งชีวิตของคนในโลกมนุษย์ว่าทุกคนก็เป็นไปตามกฎของกรรมเหมือนกับชีวิตในโลกของโอปปปาติกะแตกต่างกันก็เพียงแต่ว่า วิบากของกรรมในโลกมนุษย์ให้ผลช้ากว่าในโลกของอบปปิกิกิาวิบากของกรรมในโลกมนุษย์ถูกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหน่วงเหนียวเลยทำให้แลดูยากเห็นเป็นเรื่องซับซ้อนคนทั่วไปคอยแต่จะเข้าใจผิดว่าทำดีอาจจะได้ชั่วและทำชั่วอาจจะได้ดีซึ่งความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เลย อันหนึ่งท่านได้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมอีกว่าโดยธรรมดาผู้ที่อยู่ในภูมิสูงอาจจะมาเยี่ยมในภูมิต่ำและจะมาอยู่นานเท่าไรก็ได้สุดแล้วแต่ความปรารถนาแต่ทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิบากที่ท่านมีอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าตั้งใจจะอยู่นานเท่าไรก็อยู่ได้ตามนั้นส่วนผู้ที่อยู่ในภูมิต่ำถ้าหากจะไปอยู่ในภูมิสูงก็ไปได้ชั่วคราวและอยากจะอยู่นานๆก็อยู่ไม่ได้ และไม่ใช่ว่าจะไปได้ทุกภูมิเหมือนอย่างท่านมาอยู่กับโลกมนุษย์มาคอยให้ความช่วยเหลือมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งโดยปกติท่านก็มักจะใช้เวลาอยู่ในโลกมนุษย์นานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกวันทุกคืนหรือทุกเดือนทุกปีตลอดไปแต่เนื่องจากท่านจะไปไหนมาไหนไปได้รวดเร็วเท่าใจนึกฉะนั้นการที่จะกลับไปยังภูมิของท่านจึงไม่ใช่เป็นการยาก ปัญหาอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่ข้าพเจ้าสงสัยเองข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านว่าเมื่ออ่านดูในคำพีพระพุทธศาสนาเช่นในคำพีอภิธรรมปิดกในคำพีได้กล่าวไว้ว่าอายุของพวกเทวดาและพวกพรหมนานเลิศเกินเช่นในคำพีกล่าวว่า500รปีมนุษย์จึงจะเท่ากับวันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราช โดยปกติก็มีอายุขถึง500ปีทิฟซึ่งในเมื่อคิดเทียบเวลาในโลกมนุษย์แล้วช่างมากมายซิละเกินและถ้าเป็นเทวดาที่สูงไปกว่านี้การเทียบเวลาก็จะผิดกันไปอีกเช่นในคำพีกล่าวว่าพันปีมนุษย์จึงจะเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของพวกเทวดาชั้นดาวดึงอย่างนี้เป็นต้นและเมื่อกล่าวถึงอายุของพวกสัตว์นรกก็กล่าวไว้ว่า คนตกนรกนานนับเป็นหนึ่ง0มืนถึงแสนปีอย่างนี้เป็นต้นทำให้ข้าพเจ้าสงสัยมากว่าเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่าท่านได้กรุณาตอบให้ทราบดังตอบไปนี้สำหรับในสวรรค์การที่ในคำพีได้กล่าวไว้ว่าวันคืนของพวกนี้ในเมื่อเทียบกับในโลกมนุษย์แล้วรู้สึกว่านานมากนั้นเป็นความรู้สึกของมนุษย์ ส่วนผู้ที่อยู่ในสวรรค์เขารู้สึกว่าเวลาของเขาไม่นานเพราะในสวรรค์มีความสุขมากจึงรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนในโลกมนุษย์ในขณะที่กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันคนเหล่านี้จะรู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเสียเหลือเกินและอีกประการหนึ่ง การที่ในสวรรค์มีเวลานานมากจริงๆในเมื่อเทียบกับเวลาของมนุษย์นั้นก็เพราะในโลกของสวรรค์มีแต่ความสวรร่างอยู่เสมอไม่มีความมืดและแสงสวรร่างในโลกสวรรค์นั้นไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เหมือนกับในโลกมนุษย์โดยปกติเทวดาแต่ละองค์ก็มีแสงสวรร่างออกจากตัวแต่อย่าลืมว่าผู้ที่มองเห็นแสงสวรร่างนี้คือผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ตาของมนุษย์ไม่อาจจะเห็นได้เพราะฉะนั้นแม้ในโลกมนุษย์เองในเวลากลางคืนในถิ่นที่มีโอปปาติกะอยู่ถ้าดูจากสายตาของมนุษย์เราก็บอกว่าสถานที่นั้นมืดแต่พวกที่อยู่ในโลกนั้นเขาเห็นโลกมนุษย์มืดจริงแต่โลกของตัวเองสว่างเนื่องจากในสวรรค์มีแต่ความสว่างและมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้คำนึงถึงวันและคืนเดือนและปี และผู้ที่จะรู้ว่าตัวเองได้อยู่สวรรค์มานานเท่าไรในเมื่อเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์นั้นก็ <_ p ick> ต้องเป็นพวกที่มีความสนใจต่อความเป็นไปของมนุษย์จึงจะรู้ว่าตัวเองอยู่มานานแล้วเท่าไหร่สําหรับผู้ที่ไม่สนใจกับโลกมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่มานานแล้วเท่าไหร่ในโลกนี้รู้แต่ว่าตัวเองได้อยู่มานานมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ แต่อันที่จริงเรื่องของเวลาก็เป็นเรื่องสมมุติที่เกิดขึ้นโดยกำหนดระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งด้วยกฎอันนี้ถ้าจะนับเวลาตามที่กำหนดไว้แต่ละภูมิก็ย่อมจะแตกต่างกันไปตามภูมิด้วยเหตุนี้ในคำภีจึงได้กล่าวว่าเวลาของพวกเทวดาชั้นดาวดึงจึงมากกว่าเทวดาชั้นจาตุงมหาราช เพราะพวกเทวดาในชั้นดาวดึงมีความสุขมากกว่ามีวิบากของกุศลมากกว่าแต่อย่างไรก็ดีท่านบอกว่าเรื่องเวลาที่กล่าวไว้ในคมภีนั้นเป็นเพียงข้อเปรียบเทียบขอให้ถือเป็นเพียงข้ออุปมาเท่านั้นอย่าถือเป็นหลักตายตัวส่วนเวลาของพวกที่อยู่ในนรกที่ว่านานนั้นก็เป็นสำนวนเปรียบเทียบเหมือนกันคือหมายความว่า เวลาของคนที่อยู่ในความทุกข์ทรมานแม้จะกินเวลาชั่วขณะก็จะรู้สึกว่านานซึ่งตรงกันข้ามกับเวลาในสวรรค์แม้เวลาจะผ่านไปนานพวกที่อยู่ในสวรรค์ก็จะรู้สึกว่าผ่านไปประเดียวเดียวแต่อย่างไรก็ดีเรื่องระยะเวลาของพวกที่อยู่ในนรกที่ว่านานแสนานานนั้นจะถือเอาเป็นหลักตายตัวเสมอไปไม่ได้เราตัวอย่างในคมภีก็มีที่แสดงให้เห็นว่า คนที่ตกนรกไม่นานเท่าไรก็ขึ้นมาได้เช่นพระนางมาลิกามาเหศีของพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อตายแล้วตกนรกนับตามเวลาในโลกมนุษย์ก็เพียงเจ็วันเท่านั้นใครจะอยู่ในนรกนานหรือไม่นานโดยคิดตามเวลาในโลกมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับวิบากหรือสันดานของคนคนนั้นกล่าวคือ ถ้าหากคนไหนโดยปกติมีพื้นจิตใจสูงเคยมีความคิดถูกต้องเคยรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบุญรู้จักบาปในบางครั้งถ้าหากว่าจะไปตกนรกด้วยบาปที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งโดยเฉพาะคือบาปเกิดผลในเวลาจวนจะตายก็อาจจะตกนรกได้แต่จะอยู่ในนรกไม่นานในที่สุดเขาจะกลับใจได้เองกล่าวคือมีจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นครั้นแล้ว เขาก็จะพ้นจากนรกได้ในทันทีท่านบอกว่าการตกนรกเป็นของง่ายแต่การที่จะขึ้นจากนรกก็เป็นของง่ายเช่นเดียวกันจะต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าการตกนรกไม่ใช่เป็นการแก้แค้นหรือเป็นการลงโทษเขาเหมือนอย่างในโลกมนุษย์การตกนรกเป็นเรื่องของธรรมชาติของจิตใจที่เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนนับถือศาสนาอะไรกล่าวคือถ้าหากใครสร้างความเดือดร้อนด้วยความจงใจหรือด้วยสันดานต่ำแก่บุคคลและสัตว์อื่นความรู้สึกผิดชอบไม่ค่อยมีไม่รู้จักเหตุผลคนประเภทนี้เมื่อถึงคราวตกนรกจะอยู่ในนรกนานเพราะเขาจะกลับใจได้ยากและที่ร้ายที่สุดก็คือความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับ แทนที่จะเป็นบทเรียนให้เขาสำนึกถึงความผิดกลับทำให้เขาเข้าใจผิดอยู่เสมอเป็นเวลานานมากกว่าเขาจะยอมรับผิดและยอมรับว่าความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับนั้นเป็นเพราะบาปกรรมของเขาเองซึ่งเราจะเห็นได้จากบุคคลในโลกมนุษย์นี่เองทั้งที่ได้รับความทุกข์หรือได้รับการลงโทษจากความชั่วของตัวเองแต่เขากลับมองไม่เห็นกลับไปเข้าใจซิวว่าเป็นเพราะสิ่งภายนอก หรือเป็นเพราะคนนั้นคนนี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาแต่บุคคลบางคนที่สันดานไม่ต่ำพอได้รับความทุกข์หรือได้รับการลงโทษหรือได้รับการตำหนิเพราะความชั่วของตนเขาก็สำนึกผิดได้เข้าใจเหตุผลและกลับใจได้ไม่คิดจะทำความชั่วอีกต่อไป บุคคลที่มีนิสัยอย่างนี้แม้ในบางครั้งจะตกนรกเพราะบาปกรรมบางอย่างก็จะอยู่ในนรกไม่นานอย่าลืมว่าการตกนรกไม่ใช่เป็นการแก้แค้นหรือเป็นการลงโทษเขาให้เข็ดหลาบท่านบอกว่าคนในโลกนี้มักจะนำความเคยชินจากสภาพของคุกตารางที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับนรกในโลกของโอปปปาติกะอันนี้ต้องระวังให้มาก การลงโทษในเมืองนรกหรือการได้รับทุกทรมานในเมืองนรกเกิดขึ้นได้อย่างไรข้าพเจ้าได้เคยเขียนมาแล้วในหัวข้อเรื่องแววเสียงสวรรค์ขอให้ดูในหนังสือวิญญาณฉบับเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคม2509หมายเหตุผู้อ่านหรือย้อนกลับไปฟังเสียงอ่านในตอนตอน้ตนๆที่ผ่านมาซึ่งมีกล่าวเรื่องนี้ไว้แล้ว อทางประเสดิฐช่วยนำสูแ่แดนไ่ลนิรันด์กันด้านแหลงแงห่งปากเท้าใดฝ่าฟันดันดนไปแสนไกลจนที่สุดพบผ่านผูมหรือไทยปลานี ีชีทางพิสุทธิ์ใม่เดินได้ถึงความหมดอาลัยอากจะต้องตายไปอย่างคนไรคะ เพียง น, น้องใจไปสู่ฟังฝากโน่นกําแพงกลางตรงานลออลวงจุดรังให้ท้อกายใจจะทนปีนขึ้นไปแม้มือแตกราวพังยับเยินเศร้าซึม